บุ๊กทูหกสการปฏิเสธหนึ่งดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ ดิฉันไม่เข้าใจประโยคฉันไม่เข้าใจความหมาย ю, คุณครู <ч> คุณเข้าใจคุณครูไหมคะค я ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี Так, я його ด обре розумію คุณครู Вчителька คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Ви розумієте вчительку? ค่ะดีฉันเข้าใจท่านดี Так, я її добре розумію ผู้คน люди คุณเข้าใจผู้คนไหมคะไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหรค่ค่ะ я дуже розum เพื่อนหญิงแฟนผู้ดูห่ คุณมีแฟนไหม่ค่ะดิฉันมีมลูกสาวดคุณมีลูกสาวใช่ไห ม, มไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว н і не маю.